เพื่อเข้ามาศึกษามาหาความรู้ที่จะทำให้ชีวิตของพวกเรามีความสุขมีความเจริญปลาสจากความทุกข์ปลาสจากความเสื่อมเสียต่างๆด้วยการฟังเทศน์ฟังธรงธรมฟังคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้วิธีหาความสุขหาความเจริญอย่างแท้จริงถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราน้อมนํเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้มีความสุขความเจริญอย่างแน่นอนเพราะคสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงเป็นสิ่งที่ เมื่อเราทำแล้วก็จะเกิดผลที่เราต้องการกันคือความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขของญาบโยมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มีเงินมีทอง ได้รับเงินรับทองประการที่สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้เงินทองประการที่สความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้และประการที่สี่ความสุขที่เกิดจากการไม่กระทำสิ่งที่เกิดโทษคือไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรม ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจก็จะมีความสุขนี่คือวิธีสร้างความสุขของญาติโยมผู้ครองเรือนมีอยู่สี่ประการประการที่หนึ่งความสุขที่ทเกิดจากการได้เงินทองหรือมีเงินทองอันนี้ทุกคนคงจะรู้กันเวลามีเงินทองนี้ ในกระเป๋าในยิบพึ่นกันหัวเราะกันเวลาเงินในกระเป๋าไม่มีนี่หน้าซีดกันหน้าเหมือนไม่มีเลือดทีนี้ทาอย่างไรถึงจะทาให้ได้เงินทองมีเงินทองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือเงินทองที่เกิดจากการที่เรา ได้สะสมไว้ในชาติก่อนชาติก่อนถ้าเราได้ทําบุญมามากชาตินี้เรามาเกิดเราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เพราะบุญที่เราทํานี้เป็นเหมือน<ม>เงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอเราตายไปเราเอาเงินที่เรามีติดตัวไปไม่ได้ ก่อนตายเราก็เลยเอาไปทำบุญกันเอาไปฝากธนาคารบุญนะพอตายไปเราก็เอาบุญไปได้บุญนี้ใช้ได้ในขณะที่เราท่องเที่ยวอยู่ในโลกทิพย์ในขณะที่เรายังไม่ได้มาเกิดเราก็จะอยู่แบบเทวดาเพราะเรามีเงินใช้บุญนี้เป็นเงินที่เราใช้ในโลกทิพย์ เหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศเราก็ต้องเปลี่ยนเงินเงินบาทนี้เอาไปใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเงินของชาติที่เราจะไปอยู่ถ้าไปอเมริกาก็เปลี่ยนเป็นเงินดอลพอเราไปถึงที่นั่นเราก็มีเงินดอลใช้ถ้าเงินบาทไปก็ใช้ไม่ได้ต้องไปหาที่แลกเปลี่ยนก่อนแต่ในโลกทิปนี้ไม่มีที่เปลี่ยน เปลี่ยนเงินทองเราเอาเงินทองติดตัวไปไม่ได้เราต้องเอาเงินทองนี้ไปเปลี่ยนเป็นบุญอย่างวันนี้ญาติโยมมาวัด น, นี่กำลังมาแลกเปลี่ยนเงินทองหรือเอาเงินเอาเงินมาฝากไว้ในธนาคารบุญเปลี่ยนเป็นบุญเวลาตายไปเราเอาบุญติดตัวไปได้บุญนี่ก็เป็นเหมือนเงินที่เราใช้ในโลกนี้ เราต้องการที่พักอาศัยเราก็มีเงินจ่ายค่าที่พักเราต้องการเสื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าเราก็มีเงินซื้อเสื้อผ้าเวล า, าเราตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราก็ต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ถ้ามีบุญไปก็อยู่แบบเทวดาถ้าไม่มีบุญไปก็อยู่แบบขอทานเรียวกว่าเปลยอยู่แบบเปลย แล้วถ้าไปทาโทษก็ไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ไปตกนรกนะนรกก็คือที่ติดคุกติดตารางดังนั้นเราจึงไม่ควรจะทำบาปกันนี่คือวิธีจะทำให้เรามีทรัพย์มีเงินมีทองกันเวลาเรามาเกิดถ้าเราเราทบุญไว้มากพอมาเกิดก็จะได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐี เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินอย่างพระเจ้าพระเวชสันดรนนตอนที่ท่านเป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างมากมายพอท่านตายไปท่านก็ไปอยู่ในโลกทิพย์ไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วพอท่านมาเกิดท่านก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชโอรสมีทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองมีปราสาทสามฤดู อันนี้เป็นอันที่สงที่เกิดจากการได้ทำบุญมาในอดีตจึงพอเรามาเกิดมาจึงทำให้เราได้ทรัพย์มีทรัพย์โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเหมือนส้มหล่นอันนี้เป็นเรื่องของการมีทรัพย์เพราะบุญที่เราได้ทำมากันในอดีตชาติถ้าเราไม่ได้ทำบุญมาเราก็จะเกิดมา ยากจนไม่มีฐานะร่ำรวยแต่เราก็ยังสามารถที่จะมีทรัพย์ได้ด้วยการมีความขยันหมั่นเพียรตอนเป็นเด็กก็ขยันไปโรงเรียนเรียนหนังสือหาความรู้แล้วพอเราเรียนจบถ้าเราจบชั้นสูงสูงจบปริญญาเอกเราก็จะได้งานที่ดี เงินก็มากถ้าเป็นปริญญาโทเงินก็น้อยหน่อยน้อยลงมาหน่อยงานก็ยากมากขึ้นปริญญาตรีก็เงินเดือนก็น้อยกว่าปริญญาโทงานก็หนักกว่าปริญญาโทถ้าไม่จบปริญญาจบแค่มัธยมอันนี้งานก็ยิ่งมากต้องใช้แรงมากขึ้นเงินเดือนก็น้อยลงไป ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีทรัพย์มากๆแต่เราเกิดมายากจนหรือฐานะไม่ร่ำรวยแต่พอที่จะไปเรียนหนังสือได้ก็อย่าขี้เกียจเรียนพยายามตั้งใจไปเรียนหนังสือพยายามตั้งใจฟังครูอาจารย์สั่งสอนเพราะการเรียนนี้จะได้คะแนนดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความตั้งใจเรียนถ้าอยู่ในห้องเรียนต้องตั้งใจฟัง ถ้าไม่ฟังมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มัวแต่ไปคุยกับเพื่อนจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วเวลาครูให้การบ้านไปทํำที่บ้านก็จะทําไม่ได้แล้วเวลาสอบก็จะสอบไม่ได้คะแนนดีแต่ถ้าตั้งใจฟังคําสอนของครูของอาจารย์ถ้าไม่เข้าใจก็ยกมือถามเลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เราเรียนเพื่อเกิดให้เรารู้เข้าใจพอเรารู้เราเข้าใจเวลาครูให้การบ้านไปทำที่บ้านเราก็จะทำได้เพราะการบ้านก็คือเป็นการทดสอบดูว่าเราเข้าใจสิ่งที่ครูสอนหรือไม่ไมแล้วก็ถ้าเราทำการบ้านได้ต่อไปเวลาสอบเราก็จะสอบได้เพราะข้อสอบก็จะเป็นเหมือนกับ ที่เราทำการบ้านนั่นเองเราก็จะได้คะแนนดีเรียนได้ที่หนึ่งแล้วก็อาจจะมีคนให้ทุนการศึกษาได้ซับมาแล้วได้ซับมาเพื่อเอาไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปแล้วพอเราจบเราก็จะได้งานดีได้งานดีเราก็จะได้เงินได้ทองได้เงินเดือนดีเราก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้มีรับขึ้นมาได้ อันนี้ก็คือวิธีหาทรัพย์ด้วยการกระทำที่ไม่เกิดโทษหาทรัพย์ด้วยการทำงานอาชีพที่สุดเจริญ<ม>ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายเพราะถ้าเราไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่เกิดโทษถ้าทำมีการกระทำที่เกิดโทษทุกข์ก็จะตามมาแทนที่จะมีความสุข ทำผิดกฎหมายเราก็จะทุกข์กังวลกับการจะถูกจับไปลงโทษทำผิดศีลเราก็จะทุกข์ใจเราก็จะไม่สบายใจกลัวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนช่อโกงเป็นคนโกหกเป็นคนลักขโมยแล้วเวลาตายไป เราก็ต้องไปใช้กรรมในอบายไปติดคุกในอบายติดคุกติดตารางไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างดังนั้นการมีทราบด้วยการกระทาที่เกิดโทษจริงไม่ควรกระทาอย่าไปทำอาชีพที่ไม่สุจริตขายาผิดกฎหมายค้ายาเสพติดหรือใบลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมา อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์แล้วทำให้เกิดความสุขแต่จะเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ได้จากการที่เราทำบุญมาในอดีตถ้าอดีตเราไม่ได้ทำบุญมาก็ต้องหาต้องมีความขยันหมั่นเพียร ขยัศึกษาหาวิชาความรู้ในตอนที่เราเป็นเด็กแล้วพอเราเรียนจบเราก็จะได้หางานทําที่ดีได้ได้เงินเดือนมากแล้วเราก็จะมีทรัพย์มีความสุขได้นี่คือเรื่องของข้อที่1ความสุขที่เกิดจากการได้เงินทองหรือมีเงินทองความสุขข้อที่สองที่เกิดจากการใช้เงินทอง การใช้เงินทองนี้ก็สามารถใช้ให้เกิดสุขก็ได้ใช้ให้เกิดทุกข์ก็ได้ดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีใช้เงินทองที่จะทำให้เกิดสุขแล้วรู้จักวิธีใช้เงินทองที่จะเกิดทุกข์เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปใช้เงินทองแบบนั้นวิธีใช้เงินทองให้เกิดสุขก็คือใช้กับ สิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพร่างกายของเราต้องการปัจจัยสี่ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่มหม่มต้องการยารักษาโรคต้องการที่อยู่อาศัยเราก็ต้องเอาเงินที่เราได้มานี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับร่างกายซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัย แต่ก็ต้องรู้จักซื้อคือไม่ควรที่จะมากเกินไปและไม่น้อยเกินไปและควรที่จะอยู่ในฐานะของเราเรามีฐานะปานกลางเราก็ควรจะใช้ปานกลางเรามีฐานะต่ำเราก็ต้องใช้ต่ําเรามีฐานะสูงเราก็ใช้สูงเพราะเสื้อผ้าก็ดีอาหารก็ดียารักษาโรคก็ดี ที่อยู่อาศัยก็ดีก็มีหลายราคาหลายระดับระดับสูงก็มีระดับปานกลางก็มีระดับต่ำก็มีเราก็ต้องดูฐานะของเราดูทรัพย์ของเราเงินทองของเราว่าเราอยู่ในฐานะไหนถ้าอยู่ฐานะต่าก็ต้องซื้อของต่ำซื้อของถูกใช้ถ้าอยู่ในฐานะปานกลางก็ซื้อของปานกลางใช้ อยู่ในฐานะสูงก็ใช้ของในระดับสูงได้ถ้าเราใช้ผิดฐานะเราจะเดือดร้อนได้ถ้าเราอยู่ฐานะต่ําไปซื้อของระดับสูงหรือระดับปานกลางเดี๋ยวเงินทองของเราก็จะไม่พอใช้ดังนั้นเราต้องรู้จักใช้เงินทองให้พอดีกับกําลังหาทรัพย์ของเรากําลังทรัพย์ของเราเงินทองที่เรามีอยู่ อย่าใช้มากกว่าเงินทองที่เรามีอยู่พราจะทำให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือให้เราไปทำบาปในการหาเงินทองมาเพิ่มดังนั้นเราต้องรู้จักใช้เงินวิธีที่จะใช้เงินแล้วเกิดความสุขโดยที่ไม่ดูฐานะก็คือใช้แบบประหยะัดใช้ให้น้อยที่สุด ข, ของถ้ามันระหว่างของแพงกับของถูก ก็เลือกของถูกไว้ของแพงของถูกมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเช่นอาหารแพงอาหารถูกกินเข้าไปก็อิ่มเหมือนกันอาหารมื้อละห้าสิบบาทกับอาหารมื้อละห้าร้อกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันถ่ายออกมามันก็ไม่มีราคาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าหลงกับของที่ฟุ่มเฟือยของแพงๆมันไม่จําเป็น ถ้าเราต้องการที่จะประหยัดเพื่อเราจะได้เก็บทรัพย์ไว้ไปทําอย่างอื่นที่สําคัญกว่าการเลี้ยงดูร่างกายเพราะนอกจากร่างกายแล้วเรายังต้องมาเลี้ยงดูจิตใจของเราด้วยจิตใจของเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารของจิตใจเราก็คือบุญนี่เอง ถ้าเราโม่แต่เอาเงินไปใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายใช้แบบฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเราก็จะไม่ได้มาทำบุญกันแล้วพอชาติหน้าเราไปเกิดเราก็จะไปเกิดยากจนกันแต่ถ้าเรายอมอดออมยอมอยอมกินของถูกใช้ของถูกเพื่อแบ่งเงินไว้มาทำบุญ ชาติหน้าเรามาเกิดเราก็จะได้เกิดรวยขึ้นกว่าเก่าสบายขึ้นกว่าเก่า<ม>ดังนั้นเราควรที่จะแบ่งเงินไว้มาทำบุญบ้าง<ม><ม>เพราะชีวิตของเราไม่ได้จบที่ชาตินี้ชีวิตของเรายัางต้องไปต่อจะไปดีไม่ดีก็อยู่บุญที่เราทำ<ม>และบาปที่เราไม่ทำกันหรือทำกัน<ม>ถ้าเราทำบาปเพื่อที่จะ หาเงินหาทองเราก็จะไปติดคุกในในโลกทิพย์ต่อไป<ม>นั้นเราอย่าทําบาป ก, <ม>การใช้เงินก็ใช้แบบแบบนี้จะเกิดสุขคือใช้เลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ใช้เลี้ยงดูจิตใจแล้วใจของเราก็จะมีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเวลาตายไปก็จะ อยู่ในสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดก็ได้มาเกิดเป็นคนที่ร่ำรวยกาเก่า <Evet. S 1> นี่คือการใช้เงินที่จะทำให้เกิดสุขและวิธีที่ใช้เงินที่จะเกิดทุกข์ทาอย่างไรก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้แบบเกินฐานะของเราเห็นอะไรเห็นของแพงๆก็อยากจะกิน mm. อยากจะซื้อถ้าใช้อย่างนี้ เงินทองต่อไปก็อาจจะไม่พอใช้แล้วพอไม่พอใช้เราก็อาจจะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีที่เกิดโทษคือไปทาผิดกฎหมายหรือไปทาผิดศีลไปช่อโกไปรักทรัพย์ไปโกหกหกลอกลวงความสุขที่เกิดจากการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะตามมา เราได้ไปกระทำสิ่งที่เกิดโทษให้กับเรานั่นเองดังนั้นเราต้องระวังเรื่องการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยถึงแม้ว่าจะเป็นของจำเป็นก็ต้องใช้แบบประหยัดใช้เท่าที่เหมาะกับฐานะของเราแล้วก็อีกวิธีหนึ่งการของการใช้เงินที่เกิดโทษก็คือการใช้เงินตามความอยาก ไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้งกายหรือซื้อของที่เราอยากได้ทั้งๆที่มันไม่จําเป็นจะต้องซื้อเช่นบางทีเสื้อผ้าเรามีเหลือเฟือแล้วแต่พอไปเดินตามร้านเห็นเสื้อผ้าเขาแขวนก็อยากได้ก็ซื้อมาอีกทั้งๆที่ไม่มีไม่ได้ซื้อมาเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการซื้อ การใช้เงินที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะถ้าเราใช้เงินตามความอยากนี่มันจะอยากซื้อไปเรื่อยๆพอเห็นอะไรชอบก็อยากจะซื้อทันทีแล้วพอซื้อเข้าไปต่อไปเงินทองก็จะไม่เหลือไม่พอใช้แล้วก็จะทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปหาเงินโดยวิธีที่ ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมแล้วก็จะทำให้เกิดมีความทุกข์ต่างๆตามมาดังนั้นเราต้องพยายามอย่าใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นวิธีที่จะรู้ว่าฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยก็ให้ถามว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อของอันนี้แล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็น แสดงว่าเป็นของฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเราไม่ซื้อมาแล้วเราจะตายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นของจำเป็นเราก็ต้องซื้อมาเช่นเวลาไม่สบายต้องซื้อยามากินอย่างนี้ถ้าไม่กินแล้วจะตายก็ต้องยอมซื้อยามาแต่ถ้าจะซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าอีกชุดหนึ่งถ้าไม่ซื้อแล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตาย ก็อย่าซื้อหรือว่าถ้าไม่มีก็ซื้อได้ถ้าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีกระเป๋าไม่มีรองเทาง้าจําเป็นต้องซื้อก็ซื้อได้แต่ถ้ามีแล้วอย่าซื้อเก็บเงินไว้ดีกว่าเก็บเงินไปทําบุญเก็บเงินไว้สํารองไว้วันข้างหน้าเผื่อเราตกงานเผื่อเราไม่สบายไม่สามารถหาเงินทองได้ เราก็จะได้ใช้เงินทองที่เราเก็บไว้นี้มาเลี้ยงดูร่างกายของเราต่อไปหรือเวลาที่เราแก่เท่าเราก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งลูกลูกห ล, ลานเพราะลูกหลานสมัยนี้มันพึ่งไม่ได้หรอกมันอยากจะใช้เงินกันทั้งนั้นเรื่องอะไรที่มันจะมาเลี้ยงเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอกหักไม่อยากจะเสียใจ อ, อย่าไปหวังพึ่งลูก พึ่งตัวเองดีกว่าเอาเงินที่เราไปใช้ฟุ่มเฟือยนี้เก็บเอาไว้สําหรับใช้ในวันที่เราแก่เท่าดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจแล้วถ้าลูกๆมันรู้ว่าเรามีเงินมันก็จะมาเลี้ยงเราเองอะเพราะมันจะรอรับมรดกจากเราอีกทีนึงถ้ามันรู้ว่าเรายากจนมันรู้ว่าเราไม่มีเงินทองมันก็ไม่อยากจะมาเลี้ยงเราอ่ะนี่คือเรื่องของการมีความสุข ที่เกิดจากการรู้จักวิธีใช้เงินที่ถูกต้องคือใช้กับสิ่งที่จำเป็นใช้กับการทำบุญอย่าไปใช้กับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของไม่จำเป็นหรือซื้อของตามความอยากต่างๆอย่าไปเที่ยวกันมากเกินไปยิ่งเที่ยวยิ่งอยากเที่ยวแล้วเที่ยวทีละครั้งนี้ก็หมดเงินเป็นหลายหมื่นนะ ยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศนี่ยิ่งหมดเงินไปเยอะแยะสู้เอาเงินนี้เก็บไว้เลี้ยงตัวเองในยามแก่เท่าดีกว่าหรือเอาเงินนี้ไปทำบุญเพื่อชาตินาามาเกิดจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยยากเกิดมาแล้วก็มีเงินทองรอเราอยูอ่นี่คือความสุขที่เกิดจากการใช้เงินความสุขที่เกิดจากการไม่มีนี่การไม่มีนี่ก็ต้องรู้จักบริหารเงิน ทองที่เรามีอยู่อย่าใช้มากกว่าที่เราหาได้แล้วเราก็จะไม่มีหนี้ถ้าเราใช้มากกว่าที่เราหาได้เงินก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้เราก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินพอเป็นหนี้แล้วมันก็ไม่สบายใจเพราะเดี๋ยวเจ้าหนี้เขาจะคอยมาทวงอยู่เรื่อยๆแล้วเราต้องเสียค่าดอกเบีย้ยแพงๆ응เงินที่เรากู้เขามานี้ ใช้ได้เพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงกลายเป็นค่าดอกเบี้ยไปซี่ดังนั้นเราต้องรู้จักบริหารเงินทองรู้จักประหยัดรู้จักอดออมรู้จักหักห้ามจิตใจอย่าปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของความอยากหรือกระแสของสังคมนิยมเ พ, เพื่อนเพื่อนเมีของแพงๆใช้พอเราไม่มีของแพงๆใช้ก็น้อยเนื้อต่างใจ อย่าไปสนใจเพื่อนเ น, นเขาไม่เลี้ยงเราหรอกเงินทองของเราเนี่ยมันจะเลี้ยงเราถ้าเราไม่สามารถจะไปเข้ากลุ่มกับพวกที่เขามีเงินทองมากก็ไม่ต้องไปเข้ากลุ่มกับเขาก็ได้อยู่ของเราคนเดียวก็ได้ไม่เดือดร้อนดีกว่าต้องไปวิ่งตามเขาวิ่งหาเงินหาทองเพื่อที่จะมีของใช้แพงๆใช้กับเขาแล้วเราจะวุ่นวายเราจะเดือดร้อน เราอยู่แบบสมถาเรียบง่ายอยู่ของเราตามลำพังดีกว่าอยู่ด้วยความมั่นใจในตัวเราเรายินดีกับฐานะของเราเรามีน้อยก็ให้มีความยินดีกับฐานะของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์อย่าไปวิ่งตามชาวบ้านเขาเห็นเขารวยแล้วอยากจะรวยตามเขาอันนี้จะทําให้เราเหนื่อยไปเปล่าๆนี่คือเราต้องอย่ามีหนี้ และประการสุดท้ายก็อย่าไปทำสิ่งที่เป็นโทษอย่าไปทำผิดกฎหมายอย่าไปทำผิดศีลธรรมถ้าเรารู้จักหาเงินรู้จักใช้เงินที่ถูกต้องเราก็จะไม่มีหนี้เราก็จะไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมทำผิดกฎหมาย mm hmm. เช่นตอนที่เราเป็นเด็กก็ขยันเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนหนังสือเดี๋ยวพอโตขึ้น หางานทําก็หางานยากงานที่ทําก็งานหนักเงินเดือนก็น้อยแล้วพอไม่พอก็อาจจะทําให้เราต้องไปทําผิดกฎหมายได้หรือไปกู้หนี้ยืมสินได้จึงขอให้เราให้รู้จักหาเงินกันให้รู้จักใช้เงินกันแล้วเราจะไม่มีหนี้เราจะไม่ต้องไปกระทําสิ่งที่เกิดโทษกับเราเราก็จะมีความสุขจาก เหตุทั้งสี่ประการนี้คือความสุขจากการมีทรัพย์มีเงินมีทองความสุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้และความสุขที่เกิดจากการไม่กระทําสิ่งที่เป็นโทษกับเรานี่คือวิธีหาความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงเห็นว่าวิธีนี้แหละจะทําให้เมื่อพวกเรา อยู่กันจนมีความสุขไปจนวันตายแล้วถ้ากลับมาเกิดใหม่ก็จะมาเกิดดีกว่าเก่ามีความสุขมากกว่าเก่าจึงขอให้ท่านทั้งหลายมีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วพยายามน้อมเอาไปปฏิบัติให้ได้เพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองราาักษาให้ท่านทั้งหลายอยู่กันอย่างน่มเย็นเป็นสุขจเจริญด้วยอายุวันณา้สุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ